ธรรมบทแปลเรื่องพรามเท่ากับบุตรภาคที่เจเรื่องที่สองพระศาสดาประทับอยู่นะกรุงสาวัตถีปรารบพวกบุตรของพรามเท่าคนหนึ่งรัพระธรรมเทศนานิว่าธนาะบาลโกนามกุญชโรกะตุกับ ปะเพธาโนทุนิวารโยพุทโทกะาพลังนะปุญชะติสุมระตินาคะวะนั ส, สกุญชโรแปลว่ากุญชอนนามว่าธนะปาลกะตกมันอย่างมากห้ามได้ยากถูกขังไว้ไม่บริโภคฟันยากุญชอนระลึกถึง แต่นาขวันตอนบุตรปรณีบัตบิดาเพราะอยากได้ทรัพย์ได้ยินว่าพรหมคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีมีสมบัติประมาณแปดแสนเมื่อบุตรสี่คนมีวัยเหมาะสมแล้วได้จัดการแต่งงานให้แล้วมอบทรัพย์ให้สี่แสนต่อมา เมื่อพรามณีคือแม่ของเขาตายไปพวกบุตรจึงปรึกษากันว่าหากพ่อของเรานำหญิงอื่นมาเป็นภรรยาเมื่อนางมีลูกตระกูลก็จะแตกแยกเอาเถิดรามาช่วยกันดูแลท่านเองพวกเขาจึงปรัติบธรรมเท่านั้นด้วยอาหารและเรื่องนุ่งห่มเป็นต้น ทํารีตทำการนวดฟันมือและเท้าเป็นต้นปรรนิบัติเรื่อยมาวันหนึ่งเมื่อพรามเท่านั้นนอนกลางวันลุกขึ้นลูกๆนวดฟันมือและเท้าไปพลางพูดถึงโทษในการกรองเรือนต่างๆขอร้องพ่อว่าพวกผมจะปริบัติคุณพ่อโดยทํานองนี้ตลอดไป ขอคุณพ่อจงมอบทรัพย์ที่เหลือแก่พวกผมเถิดพรามมอบทรัพย์แก่บุตรอีกคนคนละหนึ่งแสนแบ่งเครื่องอุปโภคทั้งหมดออกเป็นสี่ส่วนมอบให้แล้วเหลือไว้เฉพาะผ้านุ่งห่มสำหรับตนบุตรคนหัวปีปรนิบัติพรามนั้นมาอีกระยะหนึ่งตอน พรามเที่ยวขอทานเ่ากินมาวันหนึ่งลูกสะใภ้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพรามเท่านั้นซึ่งใบอาบน้ำกลับมาอย่างนี้ว่าคุณพ่อให้ทรัพย์แก่ลูกคนโตมากกว่าลูกคนอื่นๆเป็นร้อยเป็นพันเทียวหรือคุณพ่อให้ทรัพย์แก่ลูกทุกคนคนละสองแสนเท่ากัน ไม่ใช่หรือทำไมคุณพ่อจึงไม่ไปบ้านของลูกคนอื่นบ้างฝ่ายพรามนั้นได้ต่อบว่านางว่าหญิงถ่อยมึงจงชิบหายพรามกโกรธนางแล้วจึงไปบ้านของลูกอีกคนอยู่ไปสองถึงสามวันเขาถูกลูกสะภ้ยไล่หนีทำนองเดียวกัน เมื่อไปอยู่บ้านไหนไม่ได้เช่นนี้เขาจึงบวชเป็นชีปะขาวเที่ยวขอทานเมื่อเวลาผ่านไปเขาสุดโทมลงเพราะความชรามีร่างกายสูบซีดเพราะได้อาหารไม่ดีนอนไม่หลับเที่ยวไปขอทานกลับมาแล้วเอนหลังลงนอนหลับงีบหนึ่ง ลุกขึ้นนั่งมองดูตนซึ่งหายเหนื่อยลงบ้างเห็นว่าบุตรพึ่งไม่ได้จึงคิดว่าได้ยินว่าพระสมณโคดมไม่ทรงสิยิุพระพักทรงมีพระพักเบิกบานตรัสถ้อยคําไพเราะทรงฉลาดในการต้อนรับเราเข้าไปหาพระสมณโคดมคงได้รับการต้อนรับ เจาจึงจัดแจงผ้านุ่งผ้าห่มให้เรียบร้อยยิบภาชนะขอทานถือไม้เทา้าไปยังที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมจริงดังที่พระธรรมสังคาหากาจาร์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าพระมหาสาลคนหนึ่งเป็นคนปอนปอนนุ่งห่มปอนกร่ำกร้า เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประตับเมื่อปรามนั่งนั่งที่สมควรแล้วพระาศาสดาทำการปฏิสันต์กับเขาได้ตรัสคำนี้ว่าปรามทำไมท่านจึงเป็นคนปอนนุ่งห่มปอนปอนปรามจึงได้ทูลว่าข้าแต่ท่านพระโกดมผู้เจริญในโลกนี้ ข้าพระองค์มีบุตรอยู่สี่คนบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงจึงไล่ข้าพระองค์ออกจากบ้านตอนพระศาสดาให้พรามเรียนคาถาพระศาสดาจึงตรัสว่าพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงเรียนคาทานี้เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันในสภา และเมื่อบุตรของท่านนั่งในที่ประชุมสภามหาชนท่านจงต้องขึ้นว่าข้าพระเจ้าได้ชื่นชมและปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นครบคิดกันกันกบภรรยารุมว่าเราดังสุนัขรุมเห่าสุก่อนฉะนั้นได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสสัตบุรุษ คือคนไม่ดีเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อพ่อที่แท้จริงพวกเขาเป็นประดุดยักษ์แปลงเป็นบุตรมาพวกเขาละทิ้งข้าพเจ้าผู้ล่วงเข้าปัดชิมไว้แล้วเหมือนม้าแก่ใช้การงานไม่ได้ถูกเขาไม่ให้อาหารฉะนั้นบิดาของบุตรพานเป็นผู้เท่า ต้องเที่ยวขอทานตามเรือนคนอื่นไม้เท้าของข้าพเจ้ายัางดีกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะดีอะไรเพราะไม้เท้ากันโคดุก็ได้กันสุนักดุก็ได้ใช้ยันทางข้างหน้าในที่มืดก็ได้ใช้ยังดูในที่ลึกก็ได้ด้วยอนุภาพของไม้เทา้าคนแก่เช่นข้าพเจ้า ถึงจะสะดุดล้มแล้วก็ยังกลับยืนได้อีกตอนปรามได้อุบายดีปรามเรียนคาตานั้นจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วในวันที่พวกปรามเช่นนั้นประชุมกันเมื่อพวกบุตรประดับประดาพร้อมสัพท์ก้าวเข้าไปสู่สภานั่งบนที่นั่งที่หรูหราในท่ามกลางพวกปราม ก็ตกลงใจว่าได้เวลาของเราแล้วดังนี้จึงเดินเข้าไปกลางที่ประชุมยกมือขึ้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวกาถาให้ท่านฟังพวกท่านจะฟังไหมเมื่อพรามเหล่านั้นกล่าวว่าขอเชิญท่านกล่าวเถิดพรามพวกเราจะฟังพรามนั้นก็ได้ยืนท่องกาถาที่เรียนมา ก็สมัยนั้นประชาชนมีกฎอย่างนี้ว่าบุตรใดใช้จ่ายทรัพย์ที่เป็นของมารดาบิดาแต่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรนั้นต้องถูกฆ่าเพราะฉะนั้นบุตรของพราหมณ์จึงหมอบลงแทบเท้าของบิดาวิง่งว่อนว่าคุณพ่อก็รับขอคุณพ่อ โปรโดให้ชีวิตแก่พวกลูกๆเอิอตามธรรมดาพ่อย่อมใจอ่อนพรามจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าให้บุตรน้อยของข้าพเจ้ามีอันเป็นไปเลยพวกเขาจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าดังนี้แต่ใด น, นั้นประชาชนจึงกล่าวกับพวกบุตรของเขา ว, ว่าคุณตั้งแต่วันนี้ไป หากพวกคุณไม่เลี้ยงดูบิดาให้ดีพวกเราจะฆ่าพวกคุณบุรนันกลัวจึงเชิญบิดาให้นั่งบนเก้าอี้ยกด้วยมือของตนเองพากลับบ้านเอาน้ำมันทาตัวขัดสีให้สะอาดเอาของมีกลิ่นหอมเป็นต้นชโลมตัวให้เรียกภรรยาทั้งหลายมาแล้วสั่งว่าตั้งแต่วันนี้ไป เธอทั้งหลายจงเลี้ยงดูพ่อของพวกฉันให้ดีถ้าพวกเธอละเลยพวกฉันจะลงโทษพวกเธอนันี้แล้วก็ให้บิดาบริโภคอาหารอย่างดีตอนพรามคิดถึงอุปการะคุณของพระศาสดาผ่านไปสองถึงสมวันพรามได้อาหารดีและนอนหลับเพียงพอ ก็กลับมีกำลังร่างกายเปล่งปลัง่งมองดูตัวเองแล้วคิดว่าเราได้สมบัติเพราะอาศัยพระสมณโคดมนังนี้แล้วจึงถือเอาผ้าคู่หนึ่งเพื่อเป็นบรรณาการไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทักตายแล้วได้นั่งนะที่สมควรข้างหนึ่ง วางผ้าคู่นั้นลงแทบบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบตูนบ่าข้าแต่ท่านพระโกดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพวกพรามย่อมสแสบงหาทรัพข้าบูชาอาจารย์มาให้อาจารย์ขอพระโกดมผู้เจริญซึ่งเป็นพระอาจารย์ของข้าพระองค์โปรดรับทรัพย์เป็นข้าบูชาอาจารย์เถิด เพื่ออนุกราเขาพระผู้มีพระภาคทรงรับผ้าคู่นั้นแล้วทรงแสดงธรรมในเวลาจบเทศนาปราามตั้งอยู่ในสารณะได้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโกดมพุเจริญข้าพระเจ้าขอถวายพัดประจำสองที่จากพัดประจำสี่ที่ซึ่งบุตรทั้งหลายให้แก่ข้าพระเจ้านั้น แต่พระองค์ลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าข้อนั้นเป็นการดีแล้วพรามแต่เราจะไปยังสถานที่ชอบใจเท่านั้นณ น, นี้แล้วก็ให้เขากลับไปพรามไปถึงบ้านบอกพวกบุตรว่าพอทั้งหลายพระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อพ่อถวายพัด ที่เป็นของประจำแก่พระองค์สองที่เมื่อพระองค์เสด็จมาพวกเจ้าอย่าละเลยนะบุตรทั้งหลายจึงรับคำดังนั้นตอนพระศาสดาไปโปรดบุตรของบรมวันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบินดบาบเสด็จถึงประตูบ้านของบุตรคนโตเขาเห็นพระศาสดาแล้ว จึงรับบาตเชิญเสด็จให้เข้าไปในบ้านเชิญให้ประทับนั่งบนบันลังซึ่งมีค่ามากได้ทบายอาหารอันประณีตพระาศาสดาได้เสด็จไปสู่บ้านของบุตรพราหมณ์ทุกคนตามลําดับคือวันรุ่งขึ้นของบุตรอีกคนวันรุ่งขึ้นของบุตรอีกคนพวกเขาทุกคน ได้ทำสักการะอย่างนั้นเหมือนกันต่อมาวันหนึ่งเมื่อถึงงานมงคลบุตรคนโตถามพ่อว่าคุณพ่อขอรับพวกกระผมจะให้สิ่งมงคลคือความเบิกบานใจแก่ผู้ใดดีครับปรามพ่อไม่รู้จักคนอื่นพระสมณโกดมเป็นสายของพ่อไม่ใช่หรือบุตรคนโตถ้ากระนั้น คุณพ่อโปรโดนิมนต์พระองค์พร้อมกับภิกษุห้ารารูปเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพรามเท่านั้นได้ตามดังนั้นในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาพร้อมด้วยบริวารได้เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งในบ้านซึ่งฉาบตาด้วยโคไม้อันสด ประดับด้วยเครื่องตกแต่งพร้อมแล้วจึงอังคาดกือตถวายอาหารด้วยมะทุปปายาตข้นและด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตในระหว่างนั้นแหลบุตรสีคนของพรามนั่งลงใกล้พระาศาสดาพรามทูลว่าค่าแต่พระคุมผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเลี้ยงดูบิดาของพวกข้าพระองค์ มิได้ละเลยโปรดทอดพระเนตรดูรูปร่างของคุณพ่อเถิดตอนการบำรุงบิดาเป็นมงคลพระาศาสดาจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายทำถูกต้องแล้วชื่อว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาโบราณ น, นักก บ, บัฑิตทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันแล้วตรัสมาตุปโปสากะ นาคาชาดกในเอกาทสนิบาตโดยพิสดารว่าต้นอ้อยช้างไม่โมกมันงอกงามขึ้นแล้วเพราะปรญยาช้างนั้นจากไปเป็นต้นแล้วได้ตรัสประกาานิว่าช้างกุญชอนนามว่าธนปาลกะตกมันจัดห้ามได้ยากถูกล่ามไว้ไม่กินฟ่อนหญ้า กุญจรระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างบาลีว่าธนะปาลโกนามะกุญชโลกตุกัปปะเพธนโนทุนนิวาราโยพัทโทกะพลังนะปุญชติสุมาราตินาควานัสสะกุญชโชโรในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า ธนาบาลโกนามะนามว่าธนาะบาลเป็นชื่อของช้างที่คราวนั้นจากพระเจ้ากาสีทรงส่ ง, งนายหัตต า, า, าจาย์เกลือจยนช้างไปจับในป่าเป็นที่อยู่กองช้างอันรื่นรมคำว่ากะตุกับปะเพธโนมีความหมายเท่ากับติขิชะมะโท แปลว่าตกมันจัดอันที่จริงเวลาช้างตกมันมวกหูทั้งสองมีมันแตกเยิมตามปกติในเวลาเช่นนั้นช้างจะไม่กลัวขอประตักหรือหอกเป็นสัตว์ดุร้ายแต่ช้างธนปาป่าลกาศนั้นดุร้ายยิ่งกว่ามากเพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าตกมันจัดห้ามได้ยาก ก็ที่ว่าพัดโธกะพลังนะปุญชติแปลว่าถูกล่ามไว้ไม่กิ่นฟันยาหมายความว่าช้างตนะป่าลกะนั้นไม่ได้ถูกล่ามไว้แต่ถูกเขานำไปโรงช้างวงล้อมด้วยม่านอันวิจิตให้อยู่บนพื้นที่ประโรมด้วยของหอมมีเพดานวิจิต ดาดไว้นาเบื้องบนถึงพระราชาให้บำรุงด้วยอาหารรถเลิศต่างๆอั้นควรแก่พระราชาก็ไม่ยอมบริโภคอะไรๆด้วยคำว่าถูกล่ามไว้ไม่กินฟ่นยาพระศาสดาตรัสหมายถึงเพียงการที่ช้างถูกส่งเข้าไปอยู่โรงช้างคำว่าสุมรติ นควะวณ ส, สะแปลว่าระลึกถึงแต่ป่านั้นเป็นที่อยู่ของช้างหมายความว่าช้างตนะป่าละกะดนั้นระลึกถึงป่าเป็นที่อยู่ของช้างอันน่ารื่นรมย์อย่างเดียวหาไม่ได้แท้จริงช้างนั้นมีแม่อยู่ในป่าต้องเป็นทุกข์เพราะพลัดพรากจากลูก ช้างนั้นบำเพ็ญมาตาปีตุอุปัฏฐานธรรมคือการเลี้ยงนูมารดาบิดานั่นแหละจึงคิดว่าอาหารนี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับเราดังนี้ระลึกถึงมาตาปีตุอุปัฏฐานธรรมอันชอบทาอย่างเดียวถ้าช้างนั้นอยู่ในปา่าเป็นที่อยู่ของช้างตามเดิมอา บำเพ็ญการเลี้ยงมารดาบิดานั้นได้เพราะฉะนั้นพระศ า, ศาสดาจึงตรัสว่ากุญชรระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างขณะที่พระศาสดาทรงนำบุรพจริยานี้ของพระองค์มาตรัสอยู่นั่นแหลบุตรทุกคนของปรามน้ำตาไหลมีใจอ่อนฟังอย่างตั้งใจ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบธรรมที่เหมอแก่พวกเขาแล้วทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบเทสนาปรามพร้อมด้วยบุตรและลูกสะพ้ยดำรงอยู่ในโสดาปัติผลแล้วแหละเรื่องปรามเท่ากับบุตรจบนิทานชาดกว่าด้วยเรื่องพญาช้าง ผู้เลี้ยงมานดามาตุโปส ก, กชาดกในอดตการเมื่อพระเจ้าบรมทัตเสวยพระราชสมบัติในกรุงพระนศีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นช้างในหิมมะวันตะประเทศได้เป็นสัตว์เผือกขาวปลอดมีรูปงามน่าชม น่าเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยลักษณะเมื่อวัยเจริญขึ้นโดยลำดับมีช้างแปดหมื่นเชือกเป็นบริวารส่วนมานดาของท่านนั้นเป็นช้างตาบอดแต่ท่านได้ให้ผลไม้มีรสอร่อยแก่ช้างทั้งหลายแล้วให้ส่งไปยังมานดาของท่านแต่ช้างทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ได้ส่งอาหารเหล่านั้นให้แกมารดาท่านเลยเคี้ยวกินเสียเองเมื่อท่านรู้เรื่องนั้นจึงคิดว่าเราจะละโกรงแล้วเลี้ยงแต่มารดาเท่านั้นครันถึงราตรีเมื่อช้างเหล่าอื่นไม่สนใจจึงได้พามารดาไปยังเชิงเขาที่ชื่อว่าจันโทรณนะ แล้วปักมารดาไว้ที่ถ้าแห่งหนึ่งในภูเขาแล้วเลี้ยงดูบำรุงมารดาลำดับนั้นปราณไพราชาวกรุงพระนศีคนหนึ่งหลงทางมาเมื่อไม่อาจกำหนดทิศได้จึงร้องไห้ด้วยเสียงอันดังลั่นพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของปราณไพรนั้นคิดว่า บุรุษคนนี้เป็นคนไร้ที่พึ่งข้อที่เขาพึ่งพี่นาฏไปในที่นี้เมื่อเรายัางอยู่ไม่สมควรแก่เราเลยเนื่งนี้แล้วจึงได้ไปหาเธอเมื่อเธอกำลังหนีไปด้วยความกลัวจึงได้พูดขึ้นบ่าท่านผู้ชุนเิญท่านไม่มีภัยเพราะเราท่านอย่าหนีไปเลยเพราะเหตุไร ท่านจึงเที่ยวร้องให้ร่ำไรอยู่ที่นี่เล่าเมื่อเขากล่าวว่าข้าแต่นายกระผมเป็นคนหลงทางวันนี้เป็นวันที่เจ็ดสำหรับผมชางนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนบริษผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเราจะวางท่านไว้ในถิ่นมนุษย์นังนี้แล้วให้เขานั่งบนหลังของตนนําออกจากป่า แล้วก็กลับไปฝ่ายบุคคลผู้นั้นเป็นคนชั่วคิดว่าเราไปยังนครแล้วจะทูนแก่พระราชาหนังน้แล้วจึงทำต้นไม้เป็นเครื่องหมายคือนิมิตทำภูเขาเป็นเครื่องหมายคือนิมิตได้ออกไปยังกรุงพระนศีในการนั้นช้างมงคลของพระราชา ได้ทำการล้าไปพระราชาตรัสสั่งให้ตีกลองร้องประกาศว่าถ้าใครใคเห็นช้างตัวเหมาะที่ส่งเสียงร้องในที่ใดที่หนึ่งผู้นั้นจงบอกบุรุษนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วถุนบ่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ได้เห็นพญาช้างตัวมีสี เทาเปลือกตลอดตัวเหมาะเพื่อจะทำการฝึกข้าพระองค์จะแสดงหนทางขอพระองค์จงส่งนายหัตถาจารย์พร้อมกับข้าพระองค์ไปให้จับช้างนั้นเถิดพระราชารับคำดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าพวกเธอจงให้ผู้นี้เป็นผู้นำทางนำไปยังป่านำพญาช้างที่บุรุษนี้พูดไว้ มาให้แกเรานังนี้แล้วก็ส่งนายหัตถาจารย์คืออาจารย์ผู้ฝึกช้างพร้อมด้วยบริวารเปน็นนันมากไปพร้อมบุรุษนั้นนายหัตถาจารย์ไปกับบุรุษนั้นเห็นช้างพระโพธิสัตว์กำลังถืออาหารเอาอาหารเข้าไปอย่างที่ซ่อนเร้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ เ็นนายหัตถาจารย์จึงอธิษฐานจิตขึ้นว่าภัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้อื่นชรอยจะเกิดขึ้นจากสำนักบุรุษชั่วนั้นนั่นเองฝ่ายเราแลเป็นผู้มีกำลังมากและสามารถจะกำจัดช้างได้ตั้งหนึ่งพันเชือกถ้าเมื่อเราโกรธแล้วสามารถจะนำภานะของนายทัพพร้อมทั้งแว่นแวน ให้พี่หน้าไปได้อยากกระ น, นั้นเลยวันนี้แม้เขาเอาหอกตอกศรีรษะเราเราก็จะไม่โกรธดังนี้แล้วจึงน้ศศาศีรษะลงยืนนิ่งเฉยอยู่นายฮัทธาจารย์ลงสู่สะบัวเห็นความสมบูรณ์แห่งลักษณะของช้างโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวว่ามาเถิดพ่อ แล้วได้จับงวงของช้างโพธิสัตว์นำพาไปในวันที่เจ็ดจึงถึงกรุงพารณสีฝ่ายมานดาของพระโพธิสัตว์เมื่อเห็นบุตรยังไม่มาจึงคร่ำครวญว่าชราอยพระราชาและมหาอมารทของพระราชานำเอาบุตรของเราไปบัดนี้ มูป่าไม้นี้จะเจริญเพราะอยู่ปราศจากช้างนั้นดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาสองคาถานี้ขึ้นว่าไม้อ้อยช้างไม้มูกมันไม้ ช, าาาชาา้างหนาวหญ้างวงช้างหญ้าฟางและลูกเดือยงอกงามขึ้นแล้วเพราะพระพยาช้างนั้นพลัดพรากไป ต, ต้นกณิกาทั้งหลายที่เชิงเขาก็ผลิตดอกบานป ร, ารประราชาหรือพระราชจุกมานประทับนั่งบนขอพยาช้างใดเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งย่อมกำจัดเสียซึ่งปัจจามทิทั้งหลายอิสระชนผู้ประดับด้วยอาภร อ, อ์อนงดงามผู้หนึ่งย่อมเลี้ยงดูพยาช้างนั้น ด้วยก่อนข้าวฝ้ายนายหัตถาจารย์ดำเนินไประหว่างทางทรงสารไปถึงพระราชาพระราชาตรัสสั่งให้ตกแต่งพระนครฝ้ายนายหัตถาจารย์นำช้างโพธิสัตว์ที่เขาประปรมด้วยของหอมประดับตกแต่งเข้าไปอย่าง隆งช้างให้ล้อมด้วยม่านอันวิจิต ให้ผูกเพดานอันวิจิตไว้ข้างบนแล้วให้กราบทูลแก่ราชาราชาทรงนำโภชนะมีรถอันเลิศต่างๆมาให้แก่ช้างโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มีความคิดว่าเราเว้นจากมารดาเสียแล้วจะไม่ยอมรับอาหารหนังนี้แล้วจึงไม่รับอาหาร ด, ดับนั้น พระราชาเมื่อจะส่งอ้อนวอนพระโพธิสัตว์จึงตรัสคาถาที่สามนี้ขึ้นว่าดูก่อนพระยาช้างตัวประเสรศิฐเชิญพ่อรับเอาคำข้าวเถิดอย่าพายพร้อมเลยราชกิจมีเป็นนันมากท่านจะต้องทำราชกิจเหล่านั้นพระยาช้างโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาที่สี่นี้ขึ้นว่า นางช้างนั้นเป็นกัมพระคือประดพรากจากบุตรตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโทระนะเป็นแน่ลำดับนั้นพระราชาเมื่อจะตรัสถามช้างโพธิสัตว์จึงตรัสกรฐานี้ขึ้นว่าดูก่อนพระยาช้างนางช้างตาบอด ผู้นํำทางไม่ได้คงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโทรณะนั้นเป็นอะไรกับท่านหรือพระยาช้างบริษัตยได้กล่าวต่อว่าข้าแต่พระอาราชนางช้างตาบอดไม่มีผู้นําทางคงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาชื่อจันโทรณะนั้นเป็นมารดาของข้าพระองค์ พระราชาได้สดับความนั้นแล้วจึงตรัสขึ้นบ่าพระยาช้างนี้ย่อมเลี้ยงดูมารดาท่านทั้งหลายจงปล่อยพระยาช้างนั้นเสียเถิดพระยาช้างตัวประเสริฐจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหลายเถิดในเรื่องนี้มีคําอธิบายว่าพระยาช้างนี้กลาวว่า ข้าพระองค์เลี้ยงมารดาตาบอดเว้นข้าพระองค์เสียมารดาของข้าพระองค์ก็จะถึงความสิ้นชีวิตเว้นมารดาเสียข้าพระองค์ก็ไม่มีความต้องการด้วยความเป็นใหญ่เลยวันนี้เมื่อมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้อาหารเป็นวันที่เจดังนี้พระราชานั้นจึงได้มีความคิดแล้วกล่าวนว่าท่านทั้งหลายจงปล่อยพระยาช้าง ที่เลี้ยงมารดานี้พญาช้างนั้นจงมาอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมญาติทั้งหมดเถิดและได้มีคําอธิบายด้วยคําที่เป็นคาถาว่าพญาช้างอันพระเจ้ากาสีทรงปล่อยแล้วพอหลุดจากเครื่องผูกพักอยู่ครู่หนึ่งได้ไปยังภูเขาจากนั้นเดินไปสู่สะบัวอันเย็น ที่เคยซ่องเสพมาแล้วดูดน้ำด้วยงวงมารถมารดาได้ยินว่าพระยาช้างนั้นพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยทศพิตราชธรรมกาถาแล้วให้โอวาทบากข้าแต่พระมหาราชขอพระองค์จงยาเป็นผู้ประมาทเลยอันมหาชนบูชา อยู่ด้วยเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นดังนี้พระยาช้างออกจากพระนครถึงสะบัวนั้นในขณะนั้นนั่นเองคิดว่าเราไม่ให้มารดาของเรารับเอาอาหารเราเองก็จะไม่รับดังนี้แล้วจึงถือเอารากเง่าบัวเป็นอันมากจึงใช้งวงดูดน้ำจนเต็ม ออกจากที่เรนในถ้าไปยังสำนักมารดาตัวนอนอยู่ที่ประตูถ้ารดน้ำบนศีรษะเพื่อให้ร่างของมารดาได้สัมผัสเพราะอดอาหารมาตั้งเจ็ดวันฝ่ายช้างมารดาของพระโพธิสัตว์ได้กล่าวด้วยความสำคัญว่าฝนตกกล่าวคาถานี้ขึ้นว่า ฝนอะไรนี้ไม่ประเสริฐเลยย่อมตกโดยการที่ไม่ควรตกบุตรเกิดในตนของเราเป็นผู้บำรุงเราจากไปเสียแล้วพระบริษัทเมื่อจะให้มารดาสบายใจจึงกล่าวกาตานี้ขึ้นว่าเชิญท่านลุกขึ้นเถิดจะมัวนอนอยู่ทำไมฉันผู้เป็นลูกของแม่มาแล้วพระเจ้ากาสี ผู้ทรงพระปรีชาญาณมีบริวารยศอันใหญ่หลวงทรงปล่อยมาแล้วนางช้างดีใจเมื่อจะทำอนุโมทนาแก่พระราชาจึงได้กล่าวกาถาสุดทายนี้ขึ้นว่าพระราชาพระองค์ใดทรงปล่อยลูกของเราผู้ประพฤต์อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญทุกเมื่อขอพระราชาพระองค์นั้น ทรงทรงพระชนยืนนานทรงบำรุงแวล้นกาสีให้เจริญรุ่งเรืองเถิดกระนั้นพระราชาทรงเลื่อมใสในกุ่นของระโพธิสัตว์ทรงรับสั่งให้สร้างโรงช้างไม่ไกลแต่เมืองนิลีนิจึงทรงเริ่มตั้งพระทหารไว้หนึ่งนิดเพื่อพระโพธิสัตว์และมารดา กรั้นภายหลังเมื่อช้างมารดาของโพธิสัตว์ทำกาลแล้วช้างโพธิสัตว์ได้ไปสู่อาสมชื่อกรันตะกะก็ในที่นั้นฤาษีจำนวนห้าร้อยลงจากภูเขาหิมะพานมาอยู่พระโพธิสัตว์ได้ถวายปะวัตตาทานแกฤาษีเหล่านั้นประราชาทรงรับสั่ง ให้สร้างรูปปฏิมาอันสำเร็จด้วยศิลามีรูปเท่าพระโพธิสัตว์นั้นแล้วได้ให้มหาสกราระเป็นใบ ป, ประชาชนชาวชมบุทวีปประชุมกันเป็นประจำปีได้ทำการฉลองฉางประศาสดาขันทรงนำพระเทศนานี้มาแล้วจึงประกาศสัจจะทั้งหลาย ประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานนท์บรุษชั่วได้เป็นพระเทวทัตนายหาตาชา์ได้เป็นพระสารีบุตรนางช้างนั้นได้เป็นพระนางมหามายาเทวีส่วนช้างเชือกประเสริฐซึ่งเลี้ยงดูมารดาคือเรานั่นเองผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาตุโปสะชาดกว่าด้วยเรื่องพยาช้างผู้เลี้ยงดูมารดา